1ิบเค่ำเดือน3ามปีมะโรงเป็นวันที่5ของการปฏิบัติธรรมกาบอาราธนาท่านอาจารย์ได้โปรดเมตตาไขาปัญหาธรรมที่เราอาูยคีได้เขีย น, นคำถามาหาพระอา้ารานไว้ตามสมควรแก่เวลาขอาการอาราธนาขอรับเรง ต, ตามแรงได้เลยนะอาจารย์ครับ ว่ากุศลกรรมอกุศลกรบกรรมสักด์แต่ว่าทําโดยไม่เจตนามีความแตกต่างอย่างไรบ้างคราบพระราสายพระจันทกุศลธรรมอกุศลธรรมเหรอกุศลกรรมอกุศลกรรมกรรมดีกรรมชั่วครับกับกรรมศักด์แต่ว่าทําโดยไม่เจตนามีผลแตกต่างอย่างไร ถ้าถ้ารรมที่ทำโดยไม่เจตนาเนี่ยอันนี้น่าจะตัดประเด็นไปได้ก็เคยได้ยินหลายทีแต่จริงๆท่าที่เราไปสืบคนดูคำว่ากรรมไม่เจตนาพราะองค์ไม่เคยตัดไว้นะไม่เจตนาไม่ตั้งใจไม่จงใจไม่เปลี่ยนคีย์เวิร์ดหลายคำหาไม่เจอไม่มี มีแต่บอกว่าเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมกรรมคือตัวเจตนานะีนั้นถ้าไม่เจตนาก็คือไม่มีกรรมนะนั้นถ้าเราไปดูนะในเรื่องของกรรมกรรมเป็นสิ่งที่บุคลคลควรทราบอันดับแรกพระองค์บอกว่าเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมเจตนาเป็นตัวกรรมเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรม เพราะว่าบุคคลเจตนาแล้วย่อมกระทาซึ่งกรรมด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจแต่ยอมบอกว่าไม่เจตนาแล้วมันจะกระทาด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจได้ยังไงนะการกระทาทางกายทางวาจาทางใจนั้นที่ประกอบด้วยเจตนาถูกจัดว่าเป็นกรรมอย่างนี้นั้นเมื่อเราสแกนหาคำว่ากรรมไม่เจตนาจริงไม่ปรากฏขึ้นนะในบาลีสยามรัฐเลยนะนั้น เจตนาเป็นตัวกรรมท้งนั้นนะแล้วเรื่องควรรู้เกี่ยวกับเรื่องกรรมก็คือเหตุเกิดนะความดับเวมตะตาแห่งกรรมความมีประมาณต่างๆของกรรมวิบากของกรรมนะและกรรมมานิโรธนะคือกรรมมานิโรธทากษไม่หนีปฏิปทาปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลืองกรรมนี่คือ6เรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับเรื่องกรรมนะนั้น เรื่องกรรมอย่างวิบากของกรรมเนี่ยเป็นหนึ่งในอจินไตยที่พระพุทธเจ้าบอกไม่ต้องการให้เราเข้าไปรู้เพราะจะมีส่วนแห่งความวิปลาสนะนั่นเป็นเรื่องของการทีเ่เป็นวิบากในส่วนที่จะส่งผลให้ไปเป็นอะไรแต่ถ้าวิบากในระดับของเวลาเป็นสิ่งที่ควรทราบ คือวิบากที่จะส่งผลในทิฏฐธรรมปัจจุบันอุป ป, ปัชชะเวลาถัดมาและอภะปริยะเวลาถัดมาอีกนะอันนี้คือวิบากของกรรมในส่วนที่เราควรจะทราบนะและวิบากของกรรมในส่วนที่จะส่งผลในทิฏฐธรรมคือในปัจจุบันไม่ค่อยมีใครบอกเราเพราะเรามักจะรู้แต่เรื่องของอนันตรกยกรรม5 คือฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระรหันธ์ทำผู้เจ้าห่อเลือดทำสงให้แตกแยกนะตัวนี้เป็นตัวกรรมหนักนะแต่กรรมดีที่จะส่งผลในปัจจุบันนั้นคืออะไรนะพระไปบู์ท่านไปค้นเจอคือสมาธิแปดระดับนะตั้งแต่ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุติฌานอากาสานัญจายนะขึ้นมาถึง เนวสัญญาณาสัญญาเิเจตนะแปดระดับนี้ใครทำได้นะกรรมนี้จะส่งผลในปัจจุบันก่อนนะกรรมอื่นคอยไปก่อนนะ <c oughs> นั้นถ้าเราต้องการกรรมอะไรที่จะส่งผลในปัจจุบันทันทีให้พระทำสมาธิแปดระดับนีนะ้เป็นกรรมที่ส่งผลในทิฏฐธรรมนี่แหละเราช่วยกันตรวจสอบเราช่วยกันดูนะก็จะ ค้นพบสัจจะความจริงขึ้นมาเรื่อยๆ เ, เหมือนกับคุณธรรมความเป็นพระโสดาบันอาตมาครั้งแรกเช็คได้40กว่าในยะนะต่อมาอพระชจนาลงหรือพระโตโต้กับพระภัยบูร์ก็ช่วยกันสืบค้นมาอีกประมาณ 6-7 พระสูตรก็ได้ขึ้นมาเป็น54ในยะของความเป็นพระโสดาบันนะที่ผู้ชาตรัดเอาไว้นะก็รวมเข้ามาในภาคโผกในเล่มนี้ นะเพื่อเอาไว้ตรวจสอบความเป็นโสดาบันของตนด้วยตนเองก็อันนั้นก็คือคงตัดประเด็นไปได้ว่ากรรมไม่เจตนาเนี่ยไม่ไม่มีนะอันนี้เราก็พูดกันเองนะนั้นพระองค์กล่าวว่าเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมนะพระอาจารย์ครับในพุทตวัตนะมีคาว่ารุ่มประจันอุปยะ แล้วก็ทุกในอริยสัจและทุกในไต่หลักขอพระอาจารย์ขยายความสี่คำนี้อเอาอันแรกก่อนนะแต่จำไม่มโรมอาจารย์โรมอาจารย์พระองค์ตัดไว้แล้วตัดกับพระนนท์ว่าโรมอาจารย์นเนี่ยคืออริยมรรคเมลงแปดเพราะฉะนั้นโรมอาจารย์ความบริสุทธิ์ของอะไรของกายวาจาจิตเน่ยเพราะฉะนั้นตัวมรรคเมลงแปดเนี่ยคือข้อปฏิบัติอัน เป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์แห่งกายวาจาและใจนั่นเองนะเพราะฉะนั้นพระองค์จึงตรัสกับพระน์นว่าอาน์นให้ทราบเถอะว่าพรมจันทร์นี้นั่นแหละคืออริยะอัตถังคิกรรมนะนั้นมักมีองคแปดคือพรมจันทร์แค่นั้นเองนะอันอื่นอุ ป, ปายาสตัวนี้ก็ที่บอกว่าเรื่องของความทุกขนะ์นะแจริงตัวบาลีใช้สุ ป, ปายาส แต่เราก็ใช้อุปายาสะมาว่าในภาษาไทยใช้อย่างนี้มาค่อนข้างเยอะแต่จริงๆถ้าเราไปดูในบาลีกลับไปใช้ว่าสุปายาสะคือความโศกความร่ำไรราพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจเนี่ยเป็นประเภทของความทุกข์แบบต่างๆนะอีกอันหนึง่งทุกในอริยสัจกับทุกในไตรลักษณ์ <c oughs> ทุกในอริยสัจ เอาแบบสั้นๆ น, นิดหนึ่งเคยอธิบายไปเยอะลองไปดูในซีดีเก่าได้ทุกในลิสัตว์เพราะอธิบายแนละ้วไปได้อีกชั่วโมงนึงเลยนะยจะไม่ได้ตอบคําถามอื่นนะทุกในลิศสัตว์ก็คือสรุปง่ายๆคือสรรพสิ่งทุกอย่างที่เกิดและดับสรรพสิ่งนั้นจะถูกเรียกว่าทุกขสัตว์หมดนั่นคือขันห้านั่นเอง อะไรก็ตามเดินไปสู่ความดับนะสิ่งนั้นจะถูกเรียกว่ากลองทุกข์นะพระองค์จึงบอกว่าอุปทานขันธ์ทั้ง5้าเป็นตัวทุกข์นะความเข้าไปยึดในขันธ์ทั้งหและตัวขันธ์หเองมันก็มีทุกข์สัตย์ของมันคือเดินไปสู่ทุกข์งังตัวทุกข์ังนี่แหละคือทุกข์ในใจลักษณนะนั้นทุกข์ในใจลักษคือทุกขขังเนี่ยคือแตกสลายอย่าง <c oughs> แก้วใบนี้นะถ้าแก้วใบนี้บินร้าวอันนี้อันนี้จังถ้าแก้วใบนี้แตกกระจายเป็นสิ่งเสี่ยงอันเนี้ยทุกขงังคือตัวตนของแก้วใบนี้แตกไปแล้วหมดไปแล้วแต่ก่อนที่มันจะแตกกระจายโปะไปเนี่ยมันเริ่มมีร้าวมีบินก่อนอันนี้อันนี้จังหรือสีมันถลอกสึกไป เราใช้มันเสื่อมไปเนี่ยอันนี้คืออนิจจังหรือวโยวโยปัญญายติเสื่อมปรากฏนั่นเองนะนี่เราจําศัพท์ไม่กี่คําเองนะสัพเ์็เด็ดเนี่ยนะวะโยเสื่อมอ น, นิจจังเสื่อมนะทุกขังคือจุดที่แตกสลายนะไปดูที่พระองค์บอกว่าเวทนาใดๆเวทนานั้นถึงการประชุมลงในความทุกข์นะ จะเห็นจะแยกคำนี้ออกจากคำว่าทุกชัดอีกเวทนานั้นมี3นะคือสุขทุกข์อะทุกข์คำาสุขเพราะฉะนั้นเวทนาใดๆคือใดๆก็ตาม3ตัวนี้เวทนานั้นถึงการประชุมลงในความทุกข์สุขจึงประชุมลงในความทุกข์ทุกจึงประชุมลงในความทุกข์เห็นไหมคำมันซ้ำกันเห็นไหมอุเบกขาหรืออะทุกข์คำาสุขประชุมลงในความทุกข์ทุกในที่นี้คือเดินไปสู่ความดับนั่นเอง สุขก็เดินไปสู่ความดับไม่ใช่สุขเป็นทุกข์นะแต่สุขมันดับไปได้ทุกข์ก็เดินไปสู่ความดับคือทุกข์มันก็ดับไปได้อนทุกข์คำว่าสุขมันก็เดินไปสู่ความดับคือมันดับไปได้เท่านั้นเองเพราะนั้นจึงมีอีกพระสูตรหนึ่งที่บอกว่าพระองค์ไม่เห็นโทษของอุเบกขาเลยนอกเสียจากว่ามันดับไปได้เท่านั้นนะเพราะนะนั้นอุเบกขาที่สุดเดินไปสู่ความดับคือมันดับไปได้นะเป็นอย่างนี้ นั <şu> ้น <c oughs> หมดแล้วใช่ไหมสี่คำนะครับระจาร์มีคำถามเกี่ยวกับเรื่องการเดินจงกรมกับเรื่องสมาธิก่อนก่อนจะเปลี่ยนไปเรื่องคำศัพท์เพราะเดี๋ยวพวกเราจะเข้าใจผิดในในหนังสือของตรงนี้ในสองหน้าสุดท้ายเนี่ยว่า ทำเป็นพรอันประเสริฐยิ่งว่าเพราะว่าเขาสรุปว่าหวังว่าพุทธโอวาทนี้คงจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในชีวิตนี้อสองหน้านี้ไม่ใช่พุทธวจนะเป็นคำของวสิณ น, นะวะสิณแต่งขึ้นเองแล้วตมาก็ให้ญาติญาติของวสิณไปถามวสิณแล้วเขาก็ยอมรับ ว, ว่าเขาแต่งขึ้นเองนะมันจะอยู่ใน โอวาสก่อนปรินิพานหรือพุทธ อ, อนุพุทธอนุชานะอ่านแล้วดีไหมดีซาบซึ้งดีแต่ถามว่าใช้คำพุทธเจ้าไหมไม่ใช่แต่ในนี้ใช้คําว่าดูก่อนพิสุทิ์ทั้งหลายนี่เป็นอีกสไตล์หนึ่งเพราะฉะนั้นวศิณแต่งโดยที่ทใช้วลีคําพูดผู้เจ้านะหรือว่าดูก่อนอ น, อนุดูก่อนพิสุทธิ์หลายพวสเนี่ยคนก็จะเข้าใจผิดคิดว่านี่เป็นคําพระตถาคตแต่จริงๆเขาเป็นคนแต่งขึ้นเอง นะอ่าพอดีมีมีญาติของวศิณมาที่วัดพอดีเราฝากไปถามหน่อยนะจะได้ยืนยันจากเจ้าตัวนะอ่าก็เลยให้ทราบว่านี่ไม่ใช่พุทธวจนะแต่เป็นการแต่งขึ้นนะเดี๋ยวจะเข้าใจผิดตามกันไปเรื่อยๆนะเพราะอาตมาอ่านสัมโนนแล้วไม่ใช่สนนัมโนนครูเช้านี่หนาอย่างนี้กินกามเขียอะไรอย่างเงี้ยนะครูเจ้ า, าไม่ได้จัดอย่างนี้หลายๆอย่างน ะ, ะก็เลยฝากบอกไว้นิด เจน พ, พระอาจารย์ครับเอามีสัจเจนเอา่อาฮะ เ, เรื่องกรร ม, มพัทธะไม่ใช่เป็นกรรมพัทธะเป็นเหตุเกิดของกรรมต่างกันนิดเดียวเองเอ เหตุเกิดเหตุ <c oughs> เกิดของกรรมใหม่ใช่ใช่กรรมเก่าที่อยู่ในชนะ ศ, าศาึกถูกต้องเป๊ะเลยนะผู้ชอาตัดเลยว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจนั้นคือกรรมเก่าปุราณกรรมนะหรือพระองค์จัดว่ากายนี้นะไม่ใช่ของเธอทั้งหลายและทั้งไม่ใช่ของบุคคลเราอื่นกรรมเก่าคือ ก, รรกายนี้นะตัวกายเนี่ยเป็นกรรมเก่า อีกพสูตรหนึ่งจะบอกให้ครบเลยบอกครบทั้งตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจนะส่วนนวกรรมคือกรรมใหม่คือภาษะที่กระทบในะปัจจุบันเนี่ยคือกรรมใหม่ที่โยมบอกถูกต้องกรรมใหม่ก็เป็นวิบากกรรมคือวิบากเป็นนะเป็นสิ่งที่เกิดในปัจจุบันเลยนะซึ่งซึ่งจะมีวิบากยังไงเช่นโยมนั่งสมาธิในปัจจุบันนี้คือกรรมใหม่ ที่จะส่งผลในทิฏฐธรรมนั้นถ้าเราอธิษฐานจิตตรงนี้ตรงนี้จะส่งผลนะอ่าฮอ่อาฮะสามข้อแรกอ๋อตั้งตั้งแต่ข้อแรกเลย ตั้งแต่หน้าสิบสี่สิบ้าสิบหกเป็นคำที่แต่งใหม่ใช่ใช่เนี่คือเขาแต่งโดยใช้โครงโครง่างของผู้เจ้ามาแต่งเนี่มันจะไม่ผิดเพี้ยนมากแต่ถ้าเก็บทุกคำจะมีข้อผิดเนยเอ เล่นกันอ่ใรศภาษาอ่เพราะเา่มจะปกิภาษาอกก็เป็นสิอันนใช่เนตัวอย่างว่าม่โยอาารที่ชอบเ็กย่อือแล้วก็สทีต้องพอใจแล้วขน้นศัพท์ังขึ้นก็คือเอ่อดานอย่างถูกต้อง ใช่ใช่จริงจริงมันก็เหมือนมาสุดสายที่การดับชะลาโมนะใช่ใช่ตัวภาษาใหม่อีกไปเป็นวงรอบใหม่ของปฏิจจทูกต้อง ใช่ดูสิมันเร็วกันนั่นนะเร็วมากนะเรเยอะมากนะท่นนี้เปล่า <c oughs> ไปอีกคนส่วนใหญ่ที่ไปอ่านท่านพุท่าจะคิดว่าปฏิจจ์เป็นแบบนี้อย่างเดียวมีหลายคนมานั่งนะถกว่านารลกสวรรค์ไม่มีนะเป็นแค่ปรุงแต่งขึ้นนะเพราะไปอ่านในส่วนนี้นะแต่จริงๆท่านพุท่านาก็พูดไว้กว้างแต่บางทีเขาอ่านไม่จบนะเอ่อ ปฏิจจามีทั้งเกิดในปัจจุบันวงรอบเนี่ยพบชาติชลามรรนะทุกความคิดของเราเนี่ยเป็นปฏิจจาพพบชาติชลามรรนะหมดเลยส่วนสัมปรายะการแตกทําลายก็ยังเป็นพบเหมือนกันเพราะว่าส่วนใหญ่เราคิดว่าพบชาติเนี่ยจะเป็นเพราะร่างกายแตกทําลายซึ่งมันเป็นส่วนหนึ่งของขันห้าแค่รูปขันพังแค่นั้นนะอีกสีขันก็ยังเป็นความยังยังถือ ในความเป็นอัตตาของเราอยู่นะสิ่งเหล่านี้ก็ยังอยู่วิญญาณขันก็ยังทํางานกับอีก3ามขันนะเพราะฉะนั้นแค่รูกประขันเนี่ยมันพังนะวิญญาณขันก็ไปสร้างนามธรรมและจะไปสร้างลูประขันใหม่ในนามธรรมนั้นนั้นต่อไปอีกอย่างนี้ถ้าลักษณะอย่างนี้จะเป็นการข้ามภพข้ามชาติจริงๆการข้ามภพข้ามชาติในส่วนที่พูดกันในแต่ก่อนก็คือการพังไปของรูกประขันนั่นเอง นะแต่จริงๆการพบชาติเนี่ยมีอยู่ตลอดณปัจจุบันนะและณปัจจุบันนั้นพบชาติที่เกิดขึ้นถ้าเกิดรูปปทาททเนี่ยแตกทำลายความเป็นเราก็อยู่ในพบนั้นทันทีและนั่นคือจิตสุดท้ายของคนซึ่งไม่มีใครรู้ว่าจิตสุดท้ายเราจะเป็นเมื่อไหรนะ่แค่นั้นเองนั้นจึงต้องระวังทุกวินาทีทุกขณะจิตนะนั้น พชาติเนี่ยจะหมายถึงพบทั้งในปัจจุบันที่เรายังไม่ตายแล้วก็ที่เราตายด้วยนะคือร่างกายแตกทํำลายความเป็นเราในส่วนรูปประคันเนี่ยมันพังนะแต่นี้เรามองเป็นความเป็นเรามีแค่รูปประคันมันก็เลยคิดว่าปฏิจจามีแค่ปัจจุบันไม่มีในสัมปลายะบางพวกก็บอกเป็นแค่สัมปลายะไม่ไม่ใช่ปัจจุบันมันก็เลยนั่งเถียงกันอย่จริงจถูกทั้งสองอัน ถูกทั้งปัจจุบันแล้วก็สัมปลายะเพียงแต่จะบอกว่าส่วนไหนมันพังไปเท่านั้นน ะ, นะการที่ผู้เจ้าอธิบายในเรื่องการก้าวลงสู่คันนี่คันคือการปรากฏขึ้นของวิญญาณโดยลักษณะของการข้ามรูปขันรูปขันนิพพังแล้วไปได้รูปขันใหม่ที่พระองค์ตรัสกับพระอ น, นุ์ว่าอา น, นุ์ถ้าวิญญาณไม่ก้าวลงสู่คันแห่งมารดาแล้วเนี่ย นามรูปจักปรุงตัวต่อได้ไหมพระนนทบอกไม่ได้ผู้ชาถูกตอ้องนะสเต็ปที่2เนี่ยเมื่อวิญญาณก้าวลงสู่คันแหน่งมารดาแล้วจักแตกสลายลงแล้วไซนามรูปจักปรุงตัวต่อได้ไหมพระนนทก็บอกไม่ได้แล้วถ้าเป็นเด็กสัตว์ในคันเป็นเด็กชายเด็กหญิงนะดูก่อนอ น, อนนท์ถ้าหากว่าวิญญาณของเด็กอ่อนที่เป็นชายก็ตามเป็นหญิงก็ตาม จะขาดลงเสียแล้วไซก็คือเข้าไปตั้งอาศัยแล้วแล้วนามรูปเนี่ยพัฒนาตัวเป็นเด็กอ่อนคือชายหรือหญิงแล้วแล้ววิญญาณจะขาดลงอีกนามรูปจักถึงซึ่งความเจริญ ง, งอกงามไพบูุ์บ้างหรือพระ น, น์บอกข้อนั้นหาไม่ได้พระเจ้าดูก่อนอนนลเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้นั่นแหละคือเหตุนั่นแหละคือนิทานะนั่นแหละคือสมุทยัยนั่นแหละคือปัจจัยของนามรูปคือวิญญาณนั่นคือนามรูป จ ะ, จะเจริญ ง, งอกงามต่อไปได้เพราะตัววิญญาณนั่นเองนะดูคำว่าเหตุของผู้เจ้าใช้เยอะมากเหตุก็คือเหตุนิทานะก็แปลว่าเหตุเกิดสมุทัยก็เหตุปัจัยก็แปลว่าเหตุนะจริงๆมีปภวะก็แปลว่าเหตุชาตกานะเหตุเกิดอีกนะใช้หลายคำมากบางครั้งเนี่ยการเกิดเหตุเกิดมันมีซ้อนกั น, ซ, น, ซ, นซ้อนกันซ้อนกันหลายๆที เพื่อให้เกิดความเข้าใจถ้าใช้คำซ้า ม, มันจะงงพู้เจ้าจึงมีคำเนี่ยแตกลูกออกไปหลากหลายแต่พอมาสรุปแล้วออกมันก็คือการเกิดเหมือนกันนะมันจะเกิดความเข้าใจในภาษามากขึ้นนะนั้นนี่เป็นอีกลักษณะนหนึ่งที่ให้เราสังเกตนะครับเป็นคำถามต่อเนื่องจากเรื่องของวิญญาณเด็กนะครับ <c oughs> มีคำถามว่าถ้าหากว่าเป็นการ ทำในหลอดแก้วเด็กในหลอดแก้วนะครับแต่ยังไม่ได้ใส่ในคันมันดามรากฏว่ามันดานั้นสุขภาพไม่ดีก็ต้องมีการทำลายไปอันนี้จะถือว่าเป็นบาปหไหมครับ <c oughs> ตรงนี้ใช้พะสตรนี้ได้เลยพวกหมอเคยมาถามามาตมานงประเด็นแบบนี้ถูกถามกับสิบรอบแล้วไง พรอหมอที่เขาทำเขาบอกว่าเด็กหลอดแก้วเนี่ยเราทำเนี่ยมันจะเยอะมากนะเพราะเราต้องทําเผื่อเอาไว้นะแต่นี้ในจํานวนนั้นน่ะมันจะมีดีบ้างเสียบ้างซึ่งเขาถามเขาก็บอกว่าทุกอย่างเนี่ยเหมือนกันเป๊ะเลยอุณหภูมิอะไรต่ออะไรควบคุมเป๊ะเหมือนกันแต่ทําไมใขรบางอันเกิดบางอันไม่เกิดเกิดไม่เกิดมันไม่มีความแน่นอนเลยเขาบอกนั่นก็คือพระสูตรนี้ตอบได้ คือวิญญาณจะก้าวลงไหมนะอ่าเพราะฉะนั้นถ้าวิญญาณไม่ก้าวลงนางลูกจะปรุงตัวต่อไม่ได้ดังนั้นไข่ที่ผสมถึงแม้คุณจะควบคุมอุณหภูมิสภาวะทุกอย่างเป๊ะกรดด่างเป๊ะไม่เกิดนะอ่าเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุปัจจัยเนื่องจากวิทยาศาสตร์ไม่เคยอิงนา ม, มาธรรมจรึงไม่สามารถหาคําตอบได้ทุกเรื่องนะมันมีเรื่องนา ม, มาธรรมเข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นคําตอบ ให้หมอคนนั้นได้อย่างดีนะคือวิญญาณก้าวลงหรือไม่ก้าวนั่นเองและถามว่าเขาก็ถามต่อว่าถ้าเขาทำลายไข่พวกนั้นแล้วเนี่ยถือว่าทำลายชีวิตไหมก็อยู่ที่ว่าตรงนั้นเนะี่ยวิญญาณก้าวลงแล้วหรื อ, อยังถ้าก้าวลงก็คือทำลายชีวิตแต่ถ้าไม่ก้าวลงเนี่ยก็ยังยังไม่ได้ทำลายแต่ในความเป็นชีวิตเนี่ยจัดว่าอย่างไงนะจะจัดว่าวิญญาณก้าวลงแล้วนะ ก้าวลงแล้วแล้วอยู่ต่อหรือเปล่าเพราะว่าชาติเป็นชีวิตสมบูรณ์ก็ยังไม่เชิงเนื่องจากว่าบิญญาณก้าวลงในลักษณะนี้ยังแตกสลายได้อีก3ขั้นตอน1ก้าวลงหรือไม่ก้าวสก้าวลงแล้วแตกสลาย3ามก้าวลงแล้วเป็นเด็กอ่อนชายหรือหญิงนะก็ยังแตกสลายได้อีกแต่เลยจากนี้แล้วไม่แตกสลายอาตมาเลยพี่ณาเอาว่าเกณฑ์ชีวิต ของผู้เจ้าน่าจะเป็นอะไรน่าจะเป็นตั้งแต่ก้าวลงแล้วไม่แตกสลายในระดับที่เป็นเด็กอ่อนชายหรือหญิงเนี่ยจากนี้ขึ้นไปเนี่ยนะนาจะจับว่าเป็นชีวิตถ้าทำลายตรงนี้ยน่าจะเป็นการทำลายชีวิตส่วนการทำลายในช่วงระยะนี้เนี่ยมันเข้าออกเข้าออกได้และต่อไปอีกต่อไปอีกหนึ่งเรื่องอีกประเด็นหนึ่งก็คือการเข้าออกเข้าออกตรงนี้คือลักษณะของสัมภเวสีนะ คือสัตว์ที่สแสวงหาที่เกิดความเป็นภูตสัตว์การสแสวงหาพบเพราะฉะนั้นสัมภเวสีไม่ใช่ที่เราเจอเป็นวิญญาณล่อนเล่ไอ้พวกนี้นี้ได้อัตภาพแล้วนะแต่สัมภเวสีหมายถึงจังหวะตรงนี้ต่างหากจังหวะที่สัตว์พยายามจะสแสวงหาที่เกิดนะสัตว์คืออะไรก็กลับไปดูผู้มีอวิชาเป็นเครื่องกั้นมีตันหาเป็นเครื่องปูกนะเป็นสิ่งสิ่งหนึ่งซึ่งเข้ามาหลงกําลังจํายึดวิญญาณ ที่กำลังก้าวลงสู่คันหรือก้าวลงสู่รูปนามอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นเองนะและแตกไปอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของการเกิดของสัตว์จะมีสีแบบหนึ่งสัตว์ที่เกิดในคันนะเกิดในไข่เกิดในของเปลือกตมแล้วก็เป็นโอปปาติกะผู้เจ้าจะแบ่งเป็นสีกลุ่มนะเพราะฉะนั้นโอปปาติกะเราจึงได้ยินทั้งเป็นพวกเปลดแล้วก็เป็นพวกอนาคามีแต่ก่อนเราเคยได้ยินแต่เปลดอย่างเดียว พอผู้เจ้าพูดโอปปาติกะอนาคามเมะตกลงละอนาคามะเป็นเปลดแต่จริงๆไม่ใช่เป็นการพูดถึงระบบการเกิดของอนาคามะคือผุดขึ้นเป็นตัวมาเลยเปลดบางพวกก็เหมือนกันผุดขึ้นเป็นตัวระบบการเกิดแบบโอปปาติกะผู้เจ้าอธิบายต่อไปอีกว่ามีจําพวกไหนบ้างมนุษย์บางพวกนะเทวดาบางพวกเปลแตบางพวกสัตว์นรกบางพวก โยงสงสัยอีกมนุษย์บางพวกแล้วมนุษย์มันไม่ใช่เราอย่างเดียวมันมีอยู่เหรอผุดขึ้นเป็นตัวมาเลยไปดูอีกผู้เจ้าแตกมนุษย์ออกไปเป็นสี่พวกหนึ่งมนุษย์พวกเราเนี่ยเรียกว่ามนุษย์ในชมพูทวีปมนุษย์ในอุตละกุลุทวีปมนุษย์ในอมรัโคยานทวีปและมนุษย์ในปุพพวิเทหทวีปอย่างนี้นะเพราะฉนั้น <c oughs> เนี่ยพุทธวจนะจะเชื่อมโยงเรียงร้อยกันหมดต่ออธิบายต่อให้เราเข้าใจมากขึ้นมากขึ้ น, ม า, นมากขึ้นไปเรื่อย นะเป็นลักษณะอย่างนี้นะก็เลยเอามาเรียงร้อยต่อกันให้เข้าใจทีเดียวนะนะคำถามต่อไปจะเป็นคําถามเรื่องของการปฏิบัติที่รวมรวมกันมาเป็นปึกแต่ก็ได้ข้อสรุปว่ามีอยู่สองลักษณะลักษณะของการเดินจงกรมขณะจิตไม่อยู่กับตัวฟุ้งออกไปจะทําอย่างไรขะที่ก้าวเดินไปแล้ว <c oughs> จิต <c oughs> <ช> <c oughs> ไม่อยู่กับตัว <c oughs> ใช่ <c oughs> ใช <c oughs> ก็คือละความเพลินนั่นเองอย่าให้จิตผูกติดกับอารมณ์นั้นกลับมารู้สึกอยู่ที่กายนะเพราะฉะนั้นเวลาเรานั่งสมาธิถ้าจิตมันฟุ้งมากๆลองหายใจแรงๆสักครั้งสองครั้ ง, งดึงความรู้สึกตัวออกมาเวลายมเดินยมพยายามรู้สึกอยู่ที่การสัมผัส พ, พื้นน ะ, ะเหมือนคนตบหน้ายังอยู่กู่าเนะี่ยจับมือ ดูมืออ่ะยังอยู่ในความรู้สึกตัวนะนั้นเราดึงความรู้สึกตัวมาอยู่ที่ตัวเราวิญญาณขันหรือจิตกลับมาแล้วนะทุกขณะที่เราก้าวเดินไปเนี่ยวิญญาณขันดับได้ตลอดไม่จำเป็นว่าจะต้องดับตอนเท้าสัมผัสพื้นแล้วถึงจะดับไม่กำลังก้าววันดับก็ได้ตอนไหนก็ได้นะ เหมือนกับการรู้ลมหายใจเหมือนกันบางคนบอกว่าสูดลมเข้าสุดคือดับนะปล่อยลมออกสุดคือเกิดไม่ได้เกี่ยววิญญาณขันไม่จำเป็นจะต้องมาดับกีตอนเราหายใจเข้าสุดหรือว่าหายใจออกสุดมันจะดับเมื่อไหร่ก็ได้มันไม่เกี่ยวกับรูปธาตุนะผู้เจ้าบอกว่าสัตว์ไม่ได้ตามความปรารถนาของวิญญาณว่าวิญญาณจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าเป็นอย่างนี้เลยเพราะวิญญาณไม่ใช่ตัวมัน ดังนั้นวิญญาณจึงเกิดดับเมื่อไหร่ก็ได้เกิดดับได้ตลอดหน้าที่ของเราคือรู้ทันการดับของมันเมื่อมันดับปั๊บเนี่ยมันจะไปอารมณ์อื่นแล้วละความเพลินเอากลับมาถ้าเราทาอย่างนี้จิตเราจะไวมากสติเราจะไวไวคือเราจะรู้ทันว่าเวลาวิญญาณดับปั๊บเนี่ยเราจะรู้ทันทีความรู้ตัวนี้จะดีขึ้นเร็วขึ้นชัดเจนขึ้นแต่ก่อนหลุดไปปุ๊บเพลินไป หนาทีพึ่งรู้ดึงกลับมาต่อไปจะเพลินสั้นลงนะความเพลินจะลดลงลดลงลดลงเหลือสามนาทีสองนาทีหนึ่งนาทีจนกระพริบตาเดียวถ้ากระพริบตาเดียวได้ทุกอารมณ์ก็ให้พยากรณ์ตนเองว่าเป็นอินทรีย์ภาวนาชั้นเลทเห็นไหนะนะนี่เป็นอย่างนี้ครับทีนี้ในเรื่องของการนั่งสมาธิก็เช่นเดียวกันอย่างที่พระอาจารย์อธิบายนะครับคือจิต แวบออกไปตลอดเวลาบางครั้งแทบจะไม่รู้ตัวเลยนี่เป็นเวลาสิบนา <c oughs> ทีคือหายไปเฉยๆมารู้ตัวอีกทีอ้าวไปแล้วสิบนาทีมีวิธีปรับการนั่งสมาธิอย่างไรให้จิตเราสามารถจ ะ, ะ ต, ตานรู้ดูได้ตลอดเวลาครับตรงนี้ทำอะไรไม่ได้นอกจากทำให้มากจเจริญให้มากนะ ไม่มีวิธีแก้อย่างอื่นแล้วละนันทีนี่คือสุดยอดเทคนิคแล้วนะที่เหลือคือทําซ้ําทําซ้ําทําซ้ําไปเรื่อยๆเมื่อทํามากเราจะเกิดความชํานาญและการละนันทีความเพลินจะเร็วขึ้นมาเองเรื่อย น, น, นั้นตรงนี้เจวันไม่พอต้อง5ปี10ปีนะนะรับอันนีจะดีขึ้นเจวันนี้แค่มารู้หลักการแล้วมาลองฝึก แล้วก็แก้ความสงสัยต่างๆให้เคลียร์แล้วจากนั้นเนี่ยต้องทำต่อทำต่อไปเรื่อยๆนะออ่าฮะในตอนนี้าา่ตอนาที่เราวกใจในช่วงที่ลเียอือฮึเราจะไปยึดที่จุดไหนบ้างไม่ต้องไปแสวงหาที่ยึด เพราะ น, นั้นสัตว์ผู้มีวิชาจะสแสวงหาพบคืออยากจะหาที่ยึดเวลาเวลามันว่างๆมองเบาแล้วจะเริ่มงงนะแต่จริงๆก็คืออยู่ตรงนั้นมันเบาก็คือเบาและสิ่งที่ผู้เจ้าให้เข้าไปดูก็คือว่ามันดับไปเมื่อไหร่นะหรือมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงเกิดดับในนั้นไหมเพราะปกติเนี่ย <c oughs> ส่วนใหญ่ก็จะเข้ากันได้แค่ชั้นหนึ่งสาสี่แต่ละเอียดกว่านั้นมีไหมยังมีอีกยังมีเบาปราณีด่ดนะละเอียดกว่านั้นขึ้นไปอีกนะและพระองค์ให้ทำอะไรให้ลดระดับลงมาไหมไม่ต้องทำได้เก่งได้ดีแค่ไหนอยู่ตรงนั้นและเข้าไปเพ่งเฉพาะซึ่งจิตที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยเป็นอย่างดีให้เห็นถึงการเกิดดับของขันทั้งห้าหรือขันทั้งสี่ต่อไปแค่นั้นเองนะ หรือให้เห็นตัวสภาวะธรรมนั้นมีความไม่เที่ยงจางคลายดับไม่เหลือเป็นธรรมดานี่ได้สองมุมนะถ้าเราอยู่กับสภาวะนั้นได้ให้เห็นการเกิดดับของขันธ์ทั้งห้าหรือขันธ์ทั้งสี่อยู่ที่เป็นรู ป, ปรสัญญาหรืออรู ป, ปรสัญญาสมาบัติจากนั้นมุมที่สองคือให้เห็นว่าสภาวะธรรมนั้นที่สุดดับไปไหมน ะ, ะเพราะฉะนั้นใน ในความละเอียดของสมาธิบางทีเนี่ยเรามองไม่เห็นการเกิดดับมันมันบางเบามากอย่างน้อยถ้าไม่เห็นตรงนั้นให้เห็นว่าสภาวะธรรมนี้ที่สุดก็หายหายไปดับไปแค่นั้นเองนะนะฮะ อ่าก็คือพยาพยามพยายามรู้สภาวะที่เราดำรงอยูน่นั่นคือพระเจ้าจึงบอกให้ให้เสพมากทำมากเจริญมากไม่งั้นเราจะจำสภาวะเดิมตรงนี้ไม่ได้เหมือนกับเราจำลมหายใจไม่ได้แต่เนื่องจากเราจำลมหายใจได้เพราะนั้นถ้าเป็นสมาธิที่ยังมีลมหายใจอยู่เราก็คือกลับมาอยู่กับลมแต่ถ้าเป็นสมาธิที่ไม่มีลมหายใจเราจะต้องจาสภาวะนั้นได้ และเราจะต้องกลับมาอยู่กับสภาวะนั้น <c oughs> สภาวะนั้นคือสัญญานั่นเองสัญญาการหมายรู้การหมายรู้ในท่าต่างๆเพราะฉะนั้นสัญญาขันจึงมีสองลักษณะหนึ่งความจำได้สองการหมร่รู้นะการหมายรู้พร้อมเฉพาะว่าสิ่งนั้นคือสิ่งนั้นนะทีนี้อยู่ที่ชนานาญแล้วละันั้นถ้าชนานาญก็จะกลับมาสู่สภาวะนิ่งๆเหมือนเดิมได้นะอืออืออือ นะน่ ะ, ะก็ไม่เป็นไรถ้าถ้ามันหาสภาวะเดิมไม่เจออย่างน้อยกลับมาที่ลมก็ยังไม่ผิดอะไรนะอ่ครับมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องปฏิจจสมุปบาทมีอยู่ในพระไตรปิฎกแทบจะทุกฉบับใช่หรือไม่อ๋อ ใช่เรื่องปฏิจจสมุปบาทจะมีอยู่ใน <c oughs> ถ้าบอกว่าจะมีอยู่ในพระไตรปิฎกก็ <c oughs> ก็ถูกนะก็คือทั้งสาวกภาสิทธ์และทัา พ, พาุภธาสิทธิ์ตา่ตางต่างพูดเรื่องปฏิจจสมุปบาททั้งคู่นะแต่ก็อยากให้เราทราบ ว่ า, า, า, าจริงๆสาวกพาสิทธ์ก็เอาตถาคตภาสิทธ์เนี่ยไปไปนั่งอธิบายนะเพราะนั้นปฏิจจสุบาทมีการพูดอยู่ในพุทธวจนะไม้ในเกศทุกอันมีพูดหมดและไม่ว่าเราจะไปเจอหลักฐานที่ไหนนะอย่างในที่ถ้ำอัฟก า, านิสถานหรือในที่ลบุรีที่เพชรบ์ในก้อนศิลาก็จะเจอการสลักนะ คำพูดที่เป็นสายปฏิจจสมุปบาทนะอยู่ตลอดเลยนะเพราะนั้นตรงนี้เป็นเรื่องหลักพู้เจ้าสอนเรื่องอริสสสีเป็นเรื่องหลักในการสอนในชีวิตของท่านและปฏิจจสุวรรคก็คืออริสสสีในส่วนสมุทัยกับนิโรธอย่างละเอียดนั่นเองเป็นคำถามที่พ่อแม่ทุกคนกังวลนะครับ เรื่องของวัยรุ่นจะทำอย่างไรเกลี้ยกล่อมให้เข้ามาปฏิบัติธรรมเพราะขณะนี้เยาวชนอายุตั้งแต่สิบกวบขึ้นไปนี่ส่วนใหญ่จะเริ่มไม่ค่อยรู้จักพระพุทธศาสนาแล้วอออันนี้ก็ยากตั้งแต่พ่อแม่เหมือนกันนะคือบางทีพ่อแม่ก็ ไม่เข้าใจพุทธศาสนาชัดเจนก็เลยไม่สามารถตอบตอบโจทย์ให้ลูกได้เมื่อลูกถามว่านารกสวรรค์เป็นยังไงเกิดมาแล้วยังไงอะไรยังไงเราตอบไม่ได้โดยเหตุโดยผลที่เป็นคำของพระศาสดาลูกก็ไม่เห็นมีเหตุผลเลยอะไรงี้นะแต่ส่วนใหญ่พวกที่ไม่นับถืออะไรนี่นะเอามาโต้กับธมานี่ยอมหมดเลยนะเออ ตั้งแต่รุ่นเด็กวัยรุ่นไปจนถึงผู้ใหญ่สี่สิบห้าสิบนะมีวันหนึ่งเนี่ยยมอยู่คนนะนาวาเอกอยู่คนเขาพาพี่ชายเข้ามานะพี่ชายเขาไม่เอาอะไรเลยนะกินเหล้าเมายาศนะาสนาวัดเวทไม่มีข้าวก็เอามานั่งคุยกันมาทีแรกเขาก็ฟังไปเฉย ฟังไปเราบรรยายทํากับคนอื่นด้วยพอฟังเสร็จเขาก็ขอถามมัง่งขอถามผมไม่เชื่อหรอกอะไรต่ออะไรอย่างนี้ก็ามาอ่ะก็เริ่มมีประเด็นแล้วเรื่องอะไรอะไรยังไงเราก็ตอบไปต่อไ ป, อไปเขาจะจนด้วยเหตุผลหมดคํำผู้เจ้าเนี่ยจบขาดนะไม่สามารถแย้งได้ผลที่สุดแล้วจากการโต้กันในวันนั้นนะน้องชายเขากลับมาเล่าอาทิตย์ต่อไปบอก อ, อาจารย์ครับพี่ชายผมเนี่ยมันกลับเป็นคนละคนไปเลยนะเริ่มอยากนั่งสมาธิบอกมีหนังสือไหมพี่ขอยืมหน่อยสิเอามาอ่านนะแล้วก็บอกเขาเป็นคนรักษารถมากรถนี่สะอาดแต่ปรากฏว่าเออขอสติกเกอร์พุทธชนะมาติดรถพี่สักหน่อยสิคือเปลี่ยนไปนะ แล้วเริ่มอยากจะสวดมนต์อยากจะทดลองนั่งสมาธิอะไรอย่างนี้นะอะ่เนี่ยอนุสาสนีย์ปฏิหารคือคําพระศาสดามันเปลี่ยนคนได้นะมันประกอบด้วยเหตุผลนะนั้นอาตมาถึงบอกว่าถ้าเราเนี่ยลึกซึ้งในคําพระศาสดาเราจะอธิบายคนอื่นได้และคนอื่นเนี่ยจะคล้อยตามนะจะเข้าใจถึงเหตุถึงผลนะก็ก็จะเป็นเหตุให้ให ลูกเราหรือวัยรุ่นเนี่ยได้น้อมกลับเข้ามาสู่ผู้ศาสนามันก็เหมือนกับพวกฝรั่งอะ่ะเขาก็มีปัญญามีอะไรแต่ไม่มีคนอธิบายให้เขารู้ว่าอาริสตรัตคืออะไรทุกมันคืออะไรอะไรอย่างเนี้ยนะก็คล้ายๆกันนั้นเขาก็เลยไม่รู้ว่าผู้ศาสนาเป็นยังไงควรจะเชื่อไหมก็คงจะไม่ต่างกับศาสนาอื่นก็เชื่อกันไปอย่างเนี้ยไม่เห็นมีเหตุผลอะไรนะเอออก็อ้างพระเจ้าอย่างเนี้ยอ่า <c oughs> เป็นเรื่องของวัยรุ่นชอบเถียงและตวาดบิดามารดาปัจจุบันนี้เริ่มรู้สึกสำนึกผิดทำแต่กรรมดีปฏิบัติธรรมกังวลใจว่ากรรมเก่าที่ทำไว้จะตามมาถึงตัวหรือไม่ <c oughs> แล้วเราจะตัดกรรมตรงนี้ได้อย่างไรอ <c oughs> ไอ้ตามมาตามอยู่แล้วแหละนะ เพียงแต่เราก็ต้องไม่เข้าไปยึดมันนะคือถ้าผลของมันมากระทบก็กคงต้องกระทบก็ต้องรับไปแต่การที่เราถอนความยึดมั่นออกจากกายวาจาจิตของเราเนี่ยอันนั้นแหละที่มันจะไม่กระทบจิตของเรานะพระเจ้าจึงบอกว่าปุถุชนกับอริบุคคลเนี่ยทุกกายเท่ากันแต่อริบุคคเนี่ยจะไ ม, ไม่ได้รับทุกเวทนาทางจิตเพราะจะปล่อยวางได้ มากน้อยตามภูมิธรรมตามขั้นของเขานะ <c oughs> นั้นตรงนี้เราจึงต้องมาปฏิบัติมัดแปเพื่อเข้าถึงความดับไม่เหลื่องกรรมคือกลายเป็นความดับไม่เหลื่องกรรมไม่ใช่เปลบกรรมแต่เป็นการถอนอุปทานออกจากขันห้าถอนความยึดมั่นออกจากตัวตนนะในขันห้าออกมาและกรรมจะไม่มีนะนั้นตัวกรรมนะ ก็คือตัวสีทธาตุนี้ลูกเวทนาสัญญาสังขารที่ผู้เจ้าดัดเปียบเหมือนพื้นนาชื่อว่ากรรมวิญญาณเปียบเหมือนเมล็ดพืชที่ตกลงไปในพื้นนานะนั้นเวลาเราต้องการหมดกรรมคือถอนความยึดมั่นออกจากระบบนี้ออกมานั้นระบบนี้ก็ทางานไปตามภาษาของมันแต่ไม่มีความเป็นเราอยู่ในนั้นนะอะไรเป็นเหตุให้พ่อแม่ที่มีลูกหลายคน แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันความรู้สึกผิดชอบชั่วดีต่างกันทั้งๆที่พ่อแม่ก็เป็นคนดีอยากทราบว่าอันนี้เกิดเพราะกรรมใช่หรือไม่ใช่ก็เนื่องจากว่าวิญญาณที่ก้าวลงสู่คันมันดาเนี่ยเนื่องจากวิญญาณ ไม่ใช่ชีวิตไม่รู้เรื่องอะไรนะวิญญาณก็เข้าไปตั้งอาศัยในนามรูปตามภาษาของมันเต็มทั่วโลกธาตุอยู่ตลอดเวลานะแต่สัตว์ผู้มีวิชาเนี่ยนะอันไหนล่ะที่เข้าไปยึดวิญญาณนั้นๆนะและสัตว์ผู้มีวิชาสังสมอนุัยมาไม่เท่ากันนะเคยชินในกุศลอกุศลมาไม่ไม่เหมือนกันไม่เท่ากันดังนั้นพี่น้องของเราก็ ก็ต่างนิสัยนะต่างจิตกันไม่ <c oughs> ไม่ได้เหมือนกันนะบางคนก็ดีบางคนก็ไม่ดีนี่ก็เป็นธรรมดานะเพราะเขาคือสัตว์ผู้มีวิชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องปูกนั่นเองตัวแท้จริงของเขาเดิมแล้วเนี่ยนะซึ่งเขาเสบพครบธรรมะไม่เท่ากันนะอนุสัยความเคยจินจึงต่างกัน มีคำถามตอบเรื่องอาการของสัตว์ผู้มีอวิชาละครับจะเป็นอย่างไรสัตว์ผู้มีวิชาทําไมนะัวเมื่อกี้พระอาจารย์อธิบายสัตว์ผู้มีวิชา อ, อตอนนี้มีคําถามว่าอาการของสัตว์ผู้มีอวิชาเป็นอย่างไร อ, อสัตว์เนี่ยหมายถึงผู้มีอวิชาสัตว์ผู้มีวิชาไม่มีนะถ้าวิชาเนี่ยถ้าวิชาเกิดขึ้นเนี่ยจะ จะมีนิยามเรียกใหม่สมมุติตรงนี้เป็นเส้นแบ่งนะจากการที่สิ่งสิ่งหนึ่งเข้ามาหลงยึดติดในสังระบบของสังตะคือสังสารวัตทั้งหมดพระมโลกเทวโลกมนุษยโลกนรกกัมเนดเดชานเปลวิสัยนะขณะที่มันหลุดเข้ามาจากตรงนี้ไปจากตรงนี้ไปเนี่ยจะถูกเรียกว่าสัตว์นะหรือสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตันหาเป็นเครื่องผูกนะ ดังนั้นขณะที่สิ่งสิ่งหนึ่งเข้ามาหลงยึดในสังสารวัตรตรงนี้จะถูกเรียกว่าสัตว์นะและเมื่อปฏิบัติมักมีองค์แปดอวิชาจะจ้อยค่อยๆหมดไปหมดไปหมดไปหมดไ ป, ดไปวิชาจะเกิดขึ้นทีละนิดทีนิดทีนิดจนวิชาเกิดขึ้นสมบูรณ์อวิชาดับหมดไปกลับมาสู่สภาวะเดิมคือสิ่งสิ่งหนึ่งตรงนี้จะถูกเรียกว่าวิมุตติยานทัศนะนั่นคือไ <c> อ <oughs> สิ่งสิ่งหนึ่งตรงเนี้นะ มันเป็นสุญญตาคือความว่างที่มันอยู่ทั้งฝั่งนี้ฝั่งนี้มันอยู่ได้หมดเพราะมันคือความว่างรองรับทั้งระบบเลยเป็นระบบที่ใหญ่มากใหญ่ที่สุดนะและทุกอนูของมันคือความรู้ได้หมดอย่างนี้ดังนั้นมันจึงต้องไม่มันจึงไม่มีการเคลื่อนจะไปพรอมาโลกมันก็อาศัยความรู้ตรงนี้ปึ๊บถึงเปลววิสัยปึ๊บถึงไกลแค่ไหนก็ไม่มีผลนะ เพราะมันคือความว่างที่อยู่ในทุกอนุของของทั่วโลกธาตุหมดอย่างนี้นะสุญญาตานะเพราะนั้นการไปการมาของมันจึงไม่มีเพราะมันนิ่งนะเพราะมันอยู่ทั่วตลอดนะการไปประมลโลกของพระเจ้าจึงเหยียดแขนกู้แขนเทวโลกเหยียดแขนกู้แขนไม่ต้องการเวลาเลไกลขนาดไหนก็ปึ๊บถึงปึ๊ถึงหมดนะดังนั้นสัตว์ผู้มีวิชาคือตั้งแต่ เนี่ยหลงเข้ามาอยู่ตรงนี้นะจะเรียกสัตว์ผู้มีวิชาดังในพระสูตรที่พระองค์จัดนะว่าความเพลินใดนะราคาอันใดนันทิอันใดตัณหาอันใดนะที่มีอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะการติดแล้วการค้องแล้วซึ่งสิ่งนั้นเนี่ยพระองค์เรียกว่าสัตว์นะ <c oughs> ขณะที่เราพอใจนะ ราคาก็พอใจหรือกำหนัดอย่างแรงกล้านันทีคือเพลินตัณหาคืออยากนะมันมีสิ่งสิ่งหนึ่งเนี่ยซึ่งไปพอใจเพลินอยากในรูปเวทนาสัญญาสังขารในวิญญาณนะเพราะฉนั้นสิ่งสิ่งหนึ่งเนี่ยไปเพลินพอใจในวิญญาณในรูปในเวทนา น, นะเพราะการติดแล้วการเข้าไปติดแล้วพอใจแล้วติดแล้วคล่องแล้วในสิ่งนั้นก็ะฉะนั้นจึงเรียกว่าสัตว์เห็นไะห อืเป็นอย่างนี้เพราะ <c oughs> น, นั้นสัตว์ไม่ใช่วิญญาณนะะและสัตว์เป็นผู้เวียนว่ายตายเกิดไปดูที่ท่อนไม้พระสูตรเห็นนะมพระสูตรตั้งหลายสัตว์ที่มีอวิชาเป็นเครื่องกั้นมีตันหาเป็นเครื่องผูกแล่นไปอยู่ท่องเที่ยวไปอยู่ในสังสารพระเจ้าไม่เคยบอกว่าวิญญาณแล่นไปอยู่ท่องเที่ยวไปอยู่ในสังสารเพระองค์ไม่เคยตรัส เมื่อสาติพูดว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดพระองค์จึงตําหนิว่าเธอเป็นโมขะหลุดตถาคตไม่เคยพูดคํานี้เห็นไะหและถ้าเราไปพูดอย่างนี้ว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดก็จะถูกตําหนิว่ากล่าวตูพระาศาสดาด้วยถ้อยคําที่ตนเองถือเอาผิดตนเองถือเอาถ้อยคําผิดแล้วมากล่าวตูพระองค์นี่นะย่อมประสบสิ่งไม่ใช่บุญเป็นอันมากนะจะเป็นไปเพื่อความทุกข์แก่เธอตลอดกาลยาวนาน เพราะว่าโยมจะไม่สามารถแกะถึงวิมุตได้เพราะจะคิดว่าวิญญาณเป็นนิจจังวิญญาณอยู่ตลอดแต่จริงๆวิญญาณเป็นปฏิจจสุปันธธรรมเกิดดับเกิดดับตลอดเวลานะเป็นอย่างนี้มีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของเหตุใดผู้ที่ทำหน้าที่เภสัชศาทตรทำหน้าที่ประหารชีวิตพระโทษจึงเกิดมาเพื่อเป็นเภชาเพราะว่าเภชาตก็ ข้อแรกก็คือผิดสินข้อที่หนึ่งกันเปก็เขาเลือกเองอ่ะเนาะเจตนาเป็นตัวกรรมน่ะสมัครไปอยู่ในโรงงานฆ่าสัตว์เองเนี่ยจะโทษใครเราก็สมัครไปเป็นเปรตเองสมัครไปเป็นสัตว์นรกเองก็คือเมื่อเรายึดว่าวิญญาณขันเป็นเราและเมื่อวิญญาณขันไปอยู่ในภพประเภทนั้นแล้วเราพอใจ ถามว่าใครเป็นคนลากเราไปไม่มีใครลากเราไปตั้นหาของแต่ละคนความอยากเป็นตัวลากเราไปลากความเป็นเราไปอยู่ตรงนั้นเพราะความเป็นเราคือเราคิดว่าวิญญาณเป็นเราเมื่อวิญญาณตรงไหนเกิดนะและเราไปจับยึดตรงนั้นนั่นคืออัตตาของเราตัวตนเราก็เกิดตรงนั้นนั่นเองนะนั่นโทษใครไม่ได้อันนี้ตัวพิรารณก็ต้องโทษตัวเขาเองเขาต้อง เปลี่ยนความเห็นใหม่ให้ได้แค่นั้นเองนะอ <c oughs> าจารย์ที่ไขปัญหาเรื่องของอัตภาพความเป็นชายหญิงกระเทยว่ามีเหตุปัจจัยอย่างไรจากที่พระพุทธง์ได้สรงตัสไว้ว่าสาเหตุของการที่ทําให้มนุษย์เกิดมาเป็นชายหญิงหรือกระเทยอเกิด <c oughs> เป็นชายหญิงเนี่ยมีเคยเจอพระสูตรแต่คงไม่ได้ ขึ้นในตัวนี้ว่ า, ายังไม่ได้เอามาใส่ผู้เจ้าจะบอกไ้เหตุเหตุของการที่จะเปลี่ยนอัตภาพจากหญิงเป็นชายจากชายเป็นหญิงจะต้องทำอย่างไรเช่นการพอใจในเครื่องประดับของสติอากับปริยาของสตินะ่ะต่างๆอย่างนี้นะจะต้องละความพอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่นะต้องไปสร้างความพอใจในสิ่งโ น, น้นนะ ถามว่าตรงนี้เปลี่ยนง่ายไหมไม่ง่ายเหมือนกันนะเปลี่ยนเปลี่ยนไม่ง่ายแต่ผู้เจ้าอธิบายและบอกวิธีในการเปลี่ยนเอาไว้นั่นก็คือตัวเหตุปัจจัยของการได้มาซึ่งชายหรือหญิงแต่ยังไม่เจอเรื่องกระเทยนะและ เ, <c oughs> เรื่องกระเทยการอธิบายเหตุปัจจัยเรื่องกระเทยส่วนใหญ่จะเจอในสาวกพาษิทธิแต่เรายังไม่เจอในตถาคตภาสิทธ์นะ นั้นถ้าใครสืบพ้นเจอก็เอามาดูได้นะคำว่ากระเทยในที่นี้ใช่คําเดียวคำว่าบรรทัดหรือไม่ตรงเนี้ยยังฟันธงไม่ได้ยังตอบไม่ได้นะเพราะว่าคําตอบเนี่ยหาไม่เจอแต่มีหาเจอโดยอัตถกถาลิสาวก พ, พาสิตเนี่ยจะอธิบายกระเทยไว้หลายแบบมากเลยนะเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะแต่ที่มีเนี่ยพระเจ้าจะมีพูดเรื่องกระเทย พูดเรื่องคนมีเอาไย ว, ว่าสองเพศอย่างนี้มีซึ่งจะแยกกันแต่ไม่ทราบว่าเหตุปัจจัยคืออะไรแล ะ, ะรายละเอียดคําว่ากระเทยเนี่ยหมายถึงแบบไหนบ้างนะโดยพุทธวจนะนะทานครับคําว่าเจริญในทางโลกและทางธรรมหมายถึงอะไรเจริญในทางโลกคือพระองค์บอกว่าเจริญด้วยบุตรภรรยาข้าทาส กรรมกรทรัพย์อันเต็มขนาดแห่งบุนะรุษนะเจริญในทางธรรมคือจเจริญด้วยศรัทธาการสังสมสุตะเจริญด้วยจาคะฆเจริญด้วยศีลเจริญด้วยปัญญาอย่างนี้นี่เรียกว่าจเจริญในทางธรรมและคนเราเนี่ยเอาดีทั้งสองทางได้คือจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมไดนะ้นั้นนี่คือในพุทธมัจนะบทนีนะนะ้อันนี้คือจเจริญดงังธรรมศรัทธาศีล ส, สุตะจาคะฆปัญญา นะอันนี้จเจริญทางโลกนะนาสวนทรัพย์เข้าเปลือกบุตรปลายาธาตุกรรมกรที่เต็มขนาดแห่งบุรุษเจริญด้วยส์ ส, สีเท้านะนี่จเจริญทางโลกเรามีทางโลกครบถ้วนนะแต่ทางธรรมก็ต้องมีด้วยและในอีกว่าสูตรหนึ่งก็คือเรื่องของความจนและความรวยนะความจนในอริยวินัยก็คือการไม่มี ศรัทธาฮิลิโอตปะวิริยปัญญาในกุศลธรรมทั้งหลายเหล่าใดบุคคลนั้นชื่อว่าเป็นคนจนเข็นใจไร้ทรัพย์ในอริวินไนะนี่อีกแบบหนึง่ง <c oughs> ที่พระองค์ตรัสในเรื่องของการกู้หนี้เป็นทุกข์ของคนในโลกนะบุคคลเมื่อกู้หนี้แล้วย่อมต้องชดใช้ดอกเบีย้ยการชดใช้ดอกเบีย้ยเป็นทุกข์ของคนในโลกนะแล้วก็เปรียบเทียบโยงมาถึงว่าความจนในอริวินัยเป็นอย่างไร <c oughs> น, นี่เรื่องของความยากจนลองถอยไปดูตัวแรกน ะ, ะนี่ตั้งแต่ความยากจนเป็นทุกข์ของคนในโลกเมื่อยากจนแล้วต้องกู้หนี้การกู้หนี้เป็นทุกข์ของคนในโลกเมื่อกู้หนี้แล้วต้องใช้ดอกเบีย้ยการใช้ดอกเบี้ยก็เป็นทุกข์ของคนในโลกนะ เมื่อไม่ใช้ก็ถูกทวงเมื่อยังใช้ไม่ได้ก็จะถูกติดตามจะถูกจับกลุ่มความจนก็ดีการคู่นี้ก็ดีต้องชดใช้ดอกเบีย้ยถูกทวงหนี้ติดตามจับกลุ่มทั้งหมดนี้เป็นทุกข์ของคนบริโภคการในโลกชั้นใดก็ชั้นนั้นความไม่มีศรัทธาฮิลิโอตปะวิริยปัญญาในคุณสรธรรมมีอยู่แก่ผู้ใดเรากล่าวบุคคลผู้นั้นว่าเป็นคนจนเข็นใจไร้ทรัพย์ในอริวินัย น, นนะัเป็นอย่างนี้ ก็ยกมาให้สองประสูดนะอาจารย์ครับความหมายของคําว่าคารวาสครับแค่เป็นทางมาแห่งทุรีคืออะไรครับก็คือค า, <c oughs> ารวาสเนี่ยครับแค่เป็นทางมาแห่งทุรีทุรีก็คืออกุศลทั้งหลายนะความคับแค่คือการที่เราเราจะทํา อะไรให้มันบริสุทธิ์บริบูรณ์โดยส่วนเดียวเนี่ยทำได้ยากก็คือพูุ้ทธเจ้าจะพูดต่อว่าการที่เราจะทำให้บริสุทธิ์บริบูรณ์โดยส่วนเดียวเหมือนสังที่ขัดดีแล้วเนี่ยมันทำได้ยากในเพศของขราวาสเพราะองค์จึงมองว่าขลาวานนั้นครับแคบนะเป็นทางมาแห่งธุลีคือความแปดเปื้อนนะความมีอกุศลความมีนิวรเราอยากจะรักษาศินห้าหรือ อุโบโสศให้ดีๆเดี๋ยวนายชวนไปกินข้าวอีกแล้วเดี๋ยวต้องไปแต่งตัวอีกแล้วเดี๋ยวต้องไปทำโน่นทำนี่อีกแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับจะไม่ได้บริสุทธิ์เป๊ะน ะ, ะเหมือนกับความเป็นนัก บ, บวชอย่างเงี้ยอันเนี้ยเป็นทุลีจะมากบ้างน้อยบ้างก็แล้วแต่นะครับมีคาถามเกี่ยวกับเรื่อง <c oughs> ของ พระเสกขะกับอินศีห้าครอบขอพระอาจารย์ช่วยอธิบายพระเสกขะพระเสกขะคือบุคคลผู้ยังต้องศึกษาก็ตั้งแต่โสดาสกิทาคาพระนาคานี่ผู้นี้คือพวกที่ยังไม่ถึงพระละหันเนี่ยจัดเป็นพระเสกขะส่วนอาเสกขะคือพระละหันอาเสกขะคือไม่ต้องศึกษาแล้ว นะมีกลุ่มเดียวคือพละฐานที่เหลือเนี่ยยังต้องศึกษาอยู่นะส่วนอะไรนะอินรียห้าอินรี่ห้าก็คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานี่เป็นอินรียห้านะอินรี่ห้าจะเหมือนกับพละหา้าเหมือนกันเพียงแต่เป็นการแตกลูกคำออกไปเพราะผู้เจ้าจะโยงไปถึงอินรี์คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจนะ จะแตกรูปธรรมะออกไปแค่นั้นเองได้ยินจากดีวดีว่าพระอาจารย์มีสูตรจากพระพุทธเจ้าสีข้อที่จะให้งานทางโลกสาเร็จสมประสงค์ไม่ทราบมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่อาจารย์มีสูตรยังไงนะ ไ, ได้ยินจากในดีวดีว่าท่านอาจารย์มีสูตร จากพระพุทธเจ้าสีข้ อ, อที่จะทำให้งานทางโลกสำเร็จสมประสบอ๋ออ๋ออ๋อพระองค์บอกถ้าเราปรารถนาเรื่องไรเนี่ยเราจะให้สำเร็จเนี่ยพระศาสดาให้กระทำสี่อย่างหนึ่งให้เป็นผู้บริบูรณ์ในศีล น, นะเป็นผู้ไม่เหินห่างจากฌานประกอบพร้อมด้วยวิปัสสนา แล้วก็ให้สุญญาคละวัตงอกงามสี่อย่างนี้ในความเป็นคละวัตก็คือตัวศินห้านะหรืออุโบสถที่พระเจ้าบอกว่าความเป็นอุบาสกอุบาสิกานะวัดด้วยอะไรวัดด้วยการมีศินห้าหรือการมีอุโบสถแปดประการนะส่วนการไม่เหินทางจากฌานก็คือการรู้ลมหายใจเขา้าออกที่พระองค์ตรัสว่าถ้าเธอรู้ลมหายใจเข้าออกเนี่ย อนาปาณสติเนี่ยแม้ช่วงการเพียงรัดนิ้วมือเรากล่าวว่าเป็นผู้ไม่เห็นห่างจากฌานทําตามคําสอนของพระศัสดาปฏิบัติตามโอวานนะจะป่วยเก่าไปใหญ่ถึงเมื่อทําไม่มากนะซึ่งอนาปาณสตินั่นคือไม่เห็นห่างจากฌานก็รู้ลมแค่รัดนิ้วมือเพระองค์ข อ, อน้อยมาก น, นิดเดียวเองประกอบพร้อมด้วยวิปัสสนาก็คือการตามเห็นการเกิดดับของขันธ์ทั้งห้าเนี่ย ให้สุญญาคลาวัดงอกงามก็คือเรือนว่างนะคนไม้เรือนว่างท้องถง้ำเฉงเนิบผาป่าชา้าป่าช้าที่แจ้งลมฟางบ้านเราก็ได้ที่ว่างจากผู้คนเรือนว่างนั่งสมาธิเงียบๆนะ่ะหรือไปสู่คนไม้สู่ลมฟางสู่ท้องถง้ำเฉงเนิบผานี่คือสุญญาคลาวัดนะหรือการมาวิเวกหลีกเล่นบ้าง อันนี้คือข้อปฏิบัติสี่อย่างที่จะทำให้สำเร็จสมความปรารถนาเวลาเราตั้งความปรารถนาอะไรมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของมนุษย์ในทีวิตต่างๆที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสไว้เมื่อสักครู่พระอาจารย์ว่ามีสี่ัวีดนะครับอยากทราบว่าผีอะไรบ้างครับ มีอะไรบ้างใช่ไหมก <c oughs> ็อันแรกก็คือมนุษย์ในชมพูทวีปคือแบบพวกเรล่านี้แล้วก็อันที่สองเนี่ยมนุษย์ในอุตละกุลทวีปอันที่สามมนุษย์ในอมละโคยานะทวีปนะอันที่สี่ปุพพาวิเทหะทวีปแต่จริงๆไปดูในบาลีคำว่าทวีปเนี่ยจะมีภาษาไทยไปเขียนเกินอีกนะ จะมี <c oughs> คำว่าทวีปรู้สึกถ้าจะไม่ผิดลองไปดูกันอีกทีะจะมีอยู่สองกลุ่มก็คือชมพูทวีบอันหนึ่งกับอีกอันหนึ่งแต่ อ, อ, อีกสองอันจะไม่มีคำว่าทวีปนะ <c oughs> แต่ภาษาไทยเนี่ยจะใส่คำว่าทวีปไปด้วย <c oughs> นั้นตอนนั้นเรากำลังสืบค้นคา ว, ว, ว่าทวีปว่าทวีปเนี่ยหมายถึงอะไรกันแนะ่ หมายถึงแผ่นดินในในโลกนี้อย่างเดียวหรือว่าในดวงดาวอื่นด้วยนะเพราะพระพุทธเจ้าจะมีบอกอชมพูทวีพัพนทวีปนะหรือว่ามีดวงดาวอย่างมนุษย์เนี่ยอีกเป็นพันพันพันที่นะอมมละอมมโคยานทวีปพันทวีปนะ อ, อ, อย่างนี้นะก็เลยตอนนั้นกําลังเช็คกันเรื่องคําว่าทวีป <c oughs> ก็เลยไปเจอว่า ตรงปุพพาวิเทหะหรืออะไรเนี่ยจะไม่มีคำว่าทวีปอยู่ด้วยนะลองเอามาดูซ่านกันนะ อ, อันนี้ชมพูทวีป มีต้องมีพวกที่ที่พระองค์เปรียบเทียบกับเทวดาชั้นดาวดึงว่าเทวดาชั้นดาวดึงเนี่ยดีกว่ามนุษย์ชมบุทวีปอย่างไรและมนุษย์ในชมบูทวีปดีกว่าเทวดาชั้นดาวดึงอย่างไรคือต่างคนต่างมีดีของกันและกันนี่ย <c oughs> <c oughs> ดูก่อนพิสูทั้งหลายมนุษย์ชาวอุตรกุรุทวีปประเสริฐกว่าเทวดาชั้นดาวดิ่งนะและพวกมนุษย์ชาวชมพูทวีปอ่าโดยธาะสามคืออะไรนะไม่มีทุกข์ไม่มีความหมวงแหนมีอายุที่แน่นอนนะใีะ้ลองกลับไปดูบาลีซิอันเนี้ยอุตรกุรุเนี่ยมีทวีปมสองสองห้า มันจะมีที่ไม่มีคาว่าทวีปอ่าอันนี้ไม่มีทวีปอุอตรกุรุกามนุษษานมนุษย์ในอุตรกุรุทวีปเพราะฉะนั้นเวลาเขามาแปลภาษาไทยนะเขาใส่คาว่าทวีปไปเอง อ, อย่างเนี้ยอาจจะเจออย่างนี้เพราะฉะนั้นนี่คือวิธีตรวจเช็คปั๊บกลับไปตรวจเช็คบาลีอีกทีหนึ่งนะ ส่วนชมพูทวีปมีนะชมพุทีปเกนะอันอื่นก็ลักษณะเดียวกันคำว่ายามหนึ่งยามสองยามสามช่วงเวลาใดครับพระเจ้ายามหนึ่งยามสองยามสามเหรอก็คืออย่างนี้พระศาสดาเนี่ยอาศัยการเปลี่ยนวันเนี่ยด้วย ด้วยดวงอาทิตย์ขึ้นเนี่ยก็คืออรุณและวันหมดเนี่ยนะกลางวันหมดเนี่ยก็คืออาทิตย์อัสดงนะเรื่องของวันหมดเนี่ยจะไปดูในเรื่องที่พู้เจ้าบัญญัติเรื่องวินัยของพระว่าห้ามฉันในวิการในกลางวันและงดฉันในราตรีราตรีก็คืออาทิตย์อัสดงงดอัสดงแล้วตกแล้ว ส่วนห้ามฉันวิการในกลางวันหมายถึงการในกลางวันก็คือช่วงที่พระฉันเมื่อออกบินฑบาตปุ๊บได้มาแล้วฉันหลังจากฉันนั้นจะเป็นเวลากี่โมงก็ตามหลังจากนั้นแล้วถือว่าเป็นวิการในกลางวันนะนั้นผู้เจ้าจะห้ามฉันวิการในกลางวันนั่นคือพระเนี่ยฉันได้มือเดียวนะหลังจากมือเดียวแล้วเนี่ยไม่สามารถฉันได้นะบวกกับราตรี ก็คือพระอาทิตย์ตกแล้วน่ะจะเรียกว่ า, าราตรีนั่นคือตั้งแต่อาทิตย์ตกจนอาทิตย์ขึ้นสิองชั่วโมงตีสักหโมงเย็นอาทิตย์ตก6กโมงเช้าอาทิตย์ขึ้นพระองค์แบ่งราตรีเป็นสามยามก็เอา3หาร12 3 4องนั่นคือยามละสี่ชั่วโมงถ้าอาทิตย์ตกหกโมงยามหนึ่งก็คือ6กโมงเย็นถึงสี่ทุ่ม ยามสองคือสี่ทุ่มถึงตีสองยามสามคือตีสองถึงอรุณขึ้นหกโมงชา้านี่วิธีแบ่งยามต้องนั้นแจะทีละอันนะเนี่ยขอข้าพเจ้าพระเาจาอธิบายการบวชเป็นพระในสมัยพุทธกาลกับปัจจุบันมีความแตกต่างกันหรือไม่การบวชเป็นพระหรือในการบวชเป็นพระในครั้งพุทธกาลกับในปัจจุบัน จริงๆถ้าถือหลักพุทธวันะเหมือนกันเพียงแต่ในปัจจุบันก็จะมีเพิ่มเติมขึ้นเช่นการบวชแบบอุกาสาเอสาหังพวกนี้คือคำพูดที่แต่งขึ้นแต่ในคำพูดที่แต่งขึ้นทั้งสองกลุ่มจะมีคำพูดเจ้าอยู่ด้วยส่วนหนึ่งวันนั้นเราจะเห็นว่าวิธีคำพูดการขอบวชสองแบบจะมีส่วนที่ไม่เหมือนกันและจะมีส่วนที่เหมือนกัน ส่วนที่เหมือนกันเนี่ยเป็นพุทธวจนะส่วนที่ไม่เหมือนกันเนี่ยคือคําที่แต่งขึ้นเพื่อสร้างเอกลักษณ์ของนิกายตนเองนะแคนั้นเองนะส่วนที่เหมือนกันเช่นว่าจะมีการถามอันตรายยิกธกระทำว่าเธอเป็นมนุษย์ไหมน ะ, ะกุฏถังคันโทกิลาโสโสโ ส, โสโอปมาโลนะเป็นโลกเลื่นโลกอะไรหรือเปล่าอย่างนี้นะอันนั้นนะคือส่วนที่เหมือนกันที่พระเจ้าให้ให้อุปชาถามการบอกนิสัยสี่ จะเหมือนกันส่วนที่ไม่เหมือนกันอีกก็แล้วแต่วัดบางวัดเนี่ยก็จะต้องเอาพระมานั่งเยอะๆนะจำนวนมากนะเพื่อให้มีพระลําดับมากซึ่งผู้ปวดก็จะต้องเสียเงินมากกับพระที่มานั่นนะจริงๆแล้วผู้เจ้าเนี่ยให้มีพระ ในเขตมัดชิมประเทศตอนกลางของอินเดียเนี่ยสิบรูปบวชได้ส่วนนอกเขตตอนกลางของอินเดียอนุญาตให้ห้ารูปก็บวชได้แล้วนั่นคือมีพระห้ารูปสามารถบวชเป็นภิกษุได้นะ <c oughs> และการบวชต้องเข้ามาขอเขาต้องมาขอภิกษุห้ามไปเรียกเข้ามาเพราะแต่ก่อนภิกษุไปชวนเข้ามาแล้วแล้วเขาไม่ ไม่สนใจการอบรมสั่งสอนพอไปว่าเขาก็บอกเขาไม่ได้มาขอปวดเนี่ยชวนเขามาเองอืมุจ้าก็เลยบัญญัติต่อไปเนี่ยใครจะมาบวชในพุทธศาสนาต้องขอนะเพราะฉะนั้นเราจรึงไม่พยายามจะไปขอใครเข้ามาบวชนะถ้าขอเขามาเหมือนเราต้องง้อเขาต้องคอยประคับประคองจะว่าก็ไม่ได้จะดุด่าว่ากล่าวไม่ได้ซึ่งพระเจ้าบอกกับพระนนลว่าพระนล เราจะไม่ทำกับเธออย่างทะนุถนอมเปรียบเหมือนช่างหม้อที่ทำกับหม้อที่ยังเปียกยังดิบอยู่อานอนท์เราจะขนาบแล้วขนาบอีกไม่มีหยุดเราจะชี้โทษแล้วชี้โทษอีกไม่มีหยุดผู้ใดมีมรรคผลเป็นการสารผู้นั้นจักทนอยู่ได้เพราะฉะนั้นคนที่มาบวชต้องอดทนนะอดทนยอมรับฟังคาสั่งสอนโดยความเคารพหนักแน่นเป็นความเจริญของพระสัทธรรมในข้อที่สองในอปริหานิยธรรมนะ เป็นความตั้งมั่นของพระสัท์ธรรมข้อที่สองอในแต่ก่อนไม่มีการแห่การมีอะไรนะขวัญหน้าอะไรอย่างนี้นะก็ไม่มีเพราะ น, นั้นถ้าเราบวชก็คือเข้าพิธีเลยนะเข้าพิธีสงเลยเความแตกต่างเรื่องบาจีวร น, นะ จีวรต้องเป็นจีวรที่ย้อมด้วยน้ําฝาดน้ําที่ได้จากเปลือกไม้แก่นไม้ลูกไม้นะเพราะฉะนั้นสีจีวรถ้าพระทําตามกรรมวิธีผู้เจ้าบัญญัติสีจะเหมือนกันทั่วประเทศคือสีลักษณะอย่างนี้นะซึ่งไม่ใช่เป็นความต้องการของอาตมาว่าอยากได้จีวรสีนี้แต่เมื่อย้อมด้วยน้ําฝาดแล้วมันดันเป็นสีนี้ก็เอาสีนี้นะซึ่งมันจะไม่ไปตรงกับสีต้องห้ามของผู้เจ้าผู้เจ้าบอกจีวรสีดําห้ามสีเขียว เหลืองล้วนแสดล้วนชมพูล้วนเขียวล้วนนะแต่กลายเป็นเดี๋ยวนี้ชีวรนพานี่เหลืองแปดแสดแปดนะจริงๆแล้วกลายเป็นสีต้องห้ามที่ผู้เชา้าห้ามเอาไว้นะนั่นคือก็ต้องเอามายอมเสีนอ่ฮะแบบก็ก็ผิดพุทธบัญญัตินะใช่ใช่ ว่าสีดำนี่ห้ามจีวรสีดำฮะอแบบ่าะเอ่อตัวเหตุเนี่ยตรงนี้ยังไม่ไม่เจอต้นบัญญัติน่ะอ่าแต่มีมีการบัญญัติไว้ว่าสีจีวร อ, อันใดที่ห้ามบ้างน่ะแต่เวลาย้อมด้วยน้ำฝาดเนี่ยสีไม่ไปตรงกับสีต้องห้ามเลยสักอันหนึ่งน่ะ และสีจะไม่เท่ากันเป๊ะหรอกมันจะเหลื่อมกันบ้างนะถ้านะฮะเพราะว่าเซนเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ใช้ผู้ทวจนะเนี่ยเซนก็เป็นคำสาวกนะแต่ก่อนอาตมาก็ชอบอ่านเซนคำสละสลวยคมคายมากนะนะแต่ปรากฏว่ามันไม่ใช่ผู้ทวจนะถ้าลงรายละเอียดแล้วมันมีข้อผิดในนั้นแฝงอยู่นะอนะ นี่เป็นเป็นอย่างนี้นั้นจีวรย้อมด้วยน้ําฝาดอย่างนี้ก็ซักทุกวันไม่ไหวพอซักแล้วก็จะต้องย้อมด้วยกว่าจะซักย้อมเสร็จก็วันหนึ่งถ้าซักทุกวันก็ไม่ต้องเป็นโยงกรมนั่งสมาธิแล้วซักผ้ามันทุกวันนะตั้งแต่เช้ายันเย็นจีวรเราก็เลยประมาณสิบห้าวันซักทีนะถ้าเสื้อผ้ายมสิบห้าวันซักนี่คงจะอยู่ยากเหมือนกันนะแต แต่จีวรเนี่ยมันจ ะ, ะถูกเคลือบด้วยแก่นไม้เปลือกไม้สะบัดสบัดฝุ่นมันก็หลุดไปพร้อมกับขี้เหงื่อคี้ใครเอาลงน้ำเปล่าซักซักขยี้ปุ๊บสีมันก็จะหลุดออกไปพร้อมขี้เหงื่อคี้ใครบิดแห้งตาดผ้าก็กลับมาสะอาอีกครั้งหนึ่งเป็นเทคโนโลยีของผู้เชานะและถ้าต้นไม้ยังมีอยู่ในโลกเราก็จะไม่ขาดน้าย้อมผ้าและถ้าต้นไม้ยังไม่หมดจากโลก สีจีวรพระจะเหมือนกันทั่วโลกนะสีจะกลืนกันลักษณะเดียวกันไม่ต้องไปคิดสีใหม่เลยมันย้อมมาได้แค่ไหนก็แค่นั้นอันนี้ก็ย้อมจากเปลือกมังคุดกับแก่นข้าหนุนนะเปลือกมังคุด ก, ก, นะ ก, ก็จะทำให้สีติดดีไม่กระดากระดานนะอย่างนี้แล้วก็เรื่องของบาดนะบาดก็เดี๋ยวนี้ก็กลายเป็นไปพ่นสีนะซึ่งจริงๆก็ต้องเอาไประบมด้วยไฟ นะทำลายสนะีเพื่อให้ลดความเงาวาวพูนะพุทธเจ้าจะมีเรื่องจีวรว่าอันหนึ่งพิกษุได้จีวรมาใหม่พึงถืออวัตถุสำหรับทําให้เสียสีสามอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งคือของเขียวครามก็ได้ตมก็ได้ของดำกลามก็ได้ถ้าพิกษุไม่ถืออวัตถุสำหรับทําให้เสียสีสามอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งใช้จีวรใหม่พปร่งปรับบัตปาจิตตี นั่นคือถ้าพระเนี่ยไม่ทำจีวรที่ได้มาใหม่ให้เสียสีจะถูกปรับประบาดปลายจิตตธธีนะอย่างในตัวนี้นะมมะมีไหมเจอไหม <c oughs> <c oughs> นั้นสิกขาบทพวกนี้อยู่ในปาติโมพระต้องสวดทุกกึงเดือนอยู่แล้วนะจะบอกว่าไม่รู้ไม่ได้เพราะพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าเธอฟังปาติโมสองถึงสามคราวมาแล้วแล้วบอกว่าไม่รู้เนี่ยจะถูกปรับประบัตซ้าเข้าไปอีก นะ mm hmm. ่ะอ่าเจอละอันหนึ่งภิกษุได้จีวรมาใหม่พึงถืออวัตถุสำหรับทำให้เสียสีสามอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งคือของเขียวครามก็ได้ต้มก็ได้ของดำครามก็ได้นะ่ะขี้ดินก็ได้นะขี้เลนขี้ดิน อย่างผ้าย้อมบาดเช่นบาดวันหนังเจ้าตัวอย่างมาให้ดูที่เราใช้ก็ย้อมจากดินนะเอาดินลุกลังเป็นก้อนแข็งมาตำตำตำเราก็เอาผ้าไปคลุกนะเราก็ได้ผ้าย้อมดินมานะแต่ถ้าย้อมขี้โคลนเนี่ยที่เคยใช้มันจะเหม็นนิดหนึง่งนะแต่ถ้าย้อมด้วยลุกลังหินพวกนี้จะกลิ่นสะอาดหน่อย ถ้าไม่ถื อ, อวัตถุสำหรับทำให้เสียสี3ซ้อย่างอย่างใดอย่างหนึ่งใช้จีวรใหม่เป็นปาจิตตีนะมีผู้สนใจขอทราขั้นตอนการบวชพระของทีวัดอาจารย์วรรณภพงค์ถ้าอาตมานะาถ้าประเทศเราใช้ตามพุทธกัจนะทั้งหมดเนี่ยนะอันนี้ก็จะบอกได้เต็มที่แต่ทันนี้ว่าถ้าวันนี้เนี่ย เรามีกฎหมายของประเทศอยู่ด้วยซึ่งไม่ได้สอดรับกับพระวินัยเต็มที่นะการบวชถ้าอาตมาจะใช้การบวชตามพุทธชนะทั้งหมดก็ได้แต่เดี๋ยวตำรวจจะมาเยือนเขาจะแจ้งมานะว่าให้ในี่บวชเองเนี่ยปลอมบวชหรือเปล่าออกใบสุทธิไม่ได้อะไรไม่ได้เราก็เลยต้องไปอิงอาศัยวัดอื่นบวชก็อาศัยเขาแค่ชั่วโมงเดียวนะ แต่การฝึกทั้งหมดต้องอยู่ที่เรานะบริขารต่างๆนะต้องอยู่ที่เราทั้งหมดเพราะนั้นเราอาศัย้าแค่ชั่วโมงเดียวไปบวชเพื่ อ, อให้มีใบสุทธิตามกฎหมายแค่นั้นเองแต่จริงๆแล้วถ้ากฎหมายไม่ขัดกับพุทธวจนะเราสามารถบวชเองได้เพราะพระกาหนดเขตเสมาแล้วสถานที่อยู่ของพระไปอยู่ที่ใดก็ตามพระกาหนดเขตที่อยู่ตนเองได้เรียกเขตเมา และในเขตสีมานั้นพระสามารถทำสังกรรมได้ทุกเรื่องนะการบวชก็ทำได้นะโดยเราใช้พระห้ารูปก็ได้นะเพราะเราอยู่ในเขตปัจจันตะประเทศนะจากนั้นกอ็อุปชาคืออะไรเราก็ไม่ต้องไปขอตาตั้งอุปชาหรือไปสอบเอาตาตั้งอุปชาเพราะพผู้เจ้ากำหนดคุณสมบัติอุปชาไว้แล้วว่าอุปชาต้องมีคุณสมบัติอย่างไร ณวันนี้การจะเป็นอุปชาจะต้องไปอสอบเอาตราตั้งอุปชาซึ่งแข่งขันกันสูงมากไม่ค่อยต่างกับเรื่องของพัทยด์ศนะมีการแข่งขันแล้วก็วิ่งเต้นกันสูงแราวเป็นตําแหน่งเงินตําแหน่งทองก็เลยเตรงนี <c oughs> เ้เราก็เลยไม่ได้มีเรื่องอุปชาเราเลยต้องไปอาศัยอุปชาจากที่วัดอื่นนะแค่นั้นเองแล้วก็ เขตเสมาที่จะบวชได้ก็ต้องเป็นอะไรวิสุงคามสีมานะซึ่งหมายถึงการอขออนุญาตนะทำเรื่องขออนุญาตไปทางการอีกทีหนึ่งในการตั้งเป็นวัดเนี่ยมันจะมีอย่างนี้คือ 1. ขออนุญาตสร้างนะขั้นตอนนี้ก็แล้วแต่ใครเส้นสายดีนะมีตั้งแต่ระดับเดือนถึงระดับ5ปีสิบปีนะ ว่ากว่าจะได้หรือเปล่าของอัตมาปีเดียวนะขอุญาตสร้างได้ต่อมาจะเป็นขออนุญาตตั้งนะก็แล้วแต่เหมือนกันนะก อ, อนตมาก็โชคดีอีกหนึ่งปีอย่างละปีบางวัดนี่รอเป็นสิปียังไม่ได้นะพอขออนุญาตสร้างอนุญาตตั้งปุ๊บเนี่ยขออนุญาตตั้งปั๊บจะได้ชื่อวัดขึ้นมาเพราะนั้นตั้งป้ายชื่อวัดได้โดยที่ไม่ผิดกฎหมายแต่ส่วนใหญ่ วัดที่ใช้ชื่อวัดเนะี่ยผิดกฎหมายซะส่วนใหญ่คือไปใช้ชื่อวัดเองนะตามกฎหมายที่อนุญาตนะนั้นถ้ากฎหมายเนี่ยพระไปอยู่ในที่ใดจะเรียกที่พักสง์ก่อนแต่ถ้าที่พักสงนั้นดำเนินการขอเป็นวัดขณะดำเนินขั้นตอนอยู่เรียกสานักสงเมื่ออนุญาตเรียบร้อยแล้วเรียกวัดนะอันนี้ขั้นตอนเขานะแล้วก็ พอขอสองขั้นตอนนี้ถือว่าเป็นวัดโดยสมบูรณ์แล้วแต่ยังบวชไม่ได้ต้องไปขอวิสุมขามสีมาอีกอีกหนึ่งขั้นตอนเพราะฉะนั้นขั้นตอนนี้เรายังไม่ได้ขอเราเลยใช้ที่วัดบวชไม่ได้ต้องไปพึ่งวัดอื่นที่เขามีอนุญาตวิสุมขามสีมาซึ่งตรงนี้ก็ต้องทําเรื่องขออีกหนึ่งขั้นตอนน ะ, ะเป็นอย่างนี้นี่อธิบายเรื่องกฎหมายให้ฟังนะมันมาคาบเกี่ยวกับเรื่องพระวินยัยนะ ได้เวลาพอสมควรแล้วการเวลาคงไปได้หลายคำถามมีคำถามเลยเยอะไหมอีกฝ<อ>ึก<ม>หนึ่งแล้วนะอีกฝนะึกหนึ่งเดี๋ยวถ้ามีเวลาจะหาเวลามาเพิ่มตอบไปอีกนะหลาชาวนี้ก็คงพอเท่านี้ก่อนนะ